เรื่องห้ามนอนบนเตียงสูงสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักขีนอนบนเตียงสูงคนทั้งหลายเดินเที่ยวชมวิหารเห็นจึงตำหนิประนามโพนทนาว่าเหมือนครหัสผู้บริโภคกลาง